ยกขึ้นสู่พระไตรลักษ์ทางรูปสัตตกะโยคาวะจออีกท่านหนึ่งยกขึ้นสู่พระไตรลักษ์แล้วกาหนดรู้สังขารทั้งหลายด้วยสัมมาสาาัญญาณโดยทางรูปสัตตกะคือมณสิการโดยอาการเจ็ดในรูปและทางอารูปสัตตกะคือมนาสิการโดยอาการเจ็ดในอรูป ในรูปสตกะและอรูปสตกะนั้นเมื่อโยคาวจรนยกขึ้นสู่พระตรัยลักษ์แล้วกำหนดรู้โดยอาการเหล่านี้คือ 1. โดยความยึดถือไว้และการปล่อยวาง 2. โดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยโดยความเป็นรูปเกิดขึ้นจากอาหาร 4. โดยความเป็นรูปเกิดขึ้นจากฤดูห้าโดยความเป็นรูปเกิดจากกรรมหกโดยความเป็นรูปมีจิตเป็นสมุดฐานและเจโดยความเป็นรูปธรรมดาดังนี้ชื่อว่ายกขึ้นกำหนดรู้โดยทางรูปสัตตกะเพราะฉะนั้นท่านโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่า โยคาวจรรู้เห็นโดยพิสดารโดยอาการเจ็ดคือโดยการยึดถือไว้และการปล่อยวางหนึ่งโดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยหนึ่งโดยอาหารหนึ่งโดยฤดูหนึ่งโดยกรรมหนึ่งโดยจิตหนึ่งและโดยรูปธรรมดาหนึ่งอธิบายโดยความยึดถือไว้และปล่อยวาง ในอาการเจ็ดนั้นคำว่าการยึดถือไว้หมายถึงปฏิสนธิคำว่าปล่อยวางหมายถึงจุติโยคาวจรกำหนดแบ่งหนึ่งรปีออกเป็นสองตอนโดยการยึดถือไว้คือปฏิสนธิและการปล่อยวางคือจุติเหล่านี้แล้วยกพระไตรลักษ์เข้าในสังขารทั้งหลาย ถามยกพระไตรลักษ์อย่างไรตอบในระหว่างการยึดถือไว้และการปล่อยวางนี้สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงถามเพราะเหตุไรตอบเพราะเป็นไปโดยความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปหนึ่งเพราะความแปรพันไปหนึ่งเพราะเป็นไปชั่วการหนึ่ง และเพราะขัดแย้งต่อความเที่ยงหนึ่งอันหนึ่งเพราะเหตุที่สังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ถึงความตั้งอยู่ในขณะตั้งอยู่ก็สบักสะบอมด้วยชราถึงชราแล้วก็จะแตกดับเป็นแน่แท้เพราะฉะนั้นจึงเป็นทุกข์เพราะมีการเบียดเบียนเฉพาะหน้าหนึ่งเนืองหนึ่งเพราะเป็นทุกข์หนึ่งเพราะทนยากหนึ่ง เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกหนึ่งและเพราะขัดขวางความสุขหนึ่งและเพราะเหตุที่ใครๆก็ไม่มีอำนาจเป็นไปได้ในสามสถานเหล่านี้คือหนึ่งสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วจงอย่าถึงความตั้งอยู่สถานหนึ่งสองที่ถึงความตั้งอยู่แล้วจงอย่ากแก่ชรานี้เป็นสถานหนึ่งและสาม ที่ถึงความแก่ชราแล้วจงอย่าแตกดับนี่เป็นอีกสถานหนึ่งดังนี้สังขารทั้งหลายว่างเปล่าจากอาการเป็นไปในอำนาจนั้นนั่นแหลเพราะฉะนั้นจึงเป็นอนัตตาเพราะเป็นของว่างเปล่าหนึ่งเพราะไม่มีเจ้าของหนึ่งเพราะไม่เป็นไปในอำนาจหนึ่งและเพราะปฏิเสธอัตตาหนึ่งชะนี้แล สโดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยครั้นยกพระไตรลักษ์เข้าในรูปที่กำหนดหนึ่งร้อปีโดยการยึดถือไว้และการปล่อยวางด้วยประการดังนั้นแล้วถัดจากนั้นโยกหาวจรรก็ยกขึ้นโดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยในอาการดังกล่าวนั้น การถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นคือเจริญขึ้นแล้วตามวัยชื่อว่าถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยอธิบายว่ายกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์โดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยนั้นถามว่ายกขึ้นอย่างไรประการหนึ่ง จำแนก1ึงรปีโดยสามวัยโยคาวจอนนั้นกำหนดจำแนก1ึงร้อปีนั้นนั่นแหละโดยสามวัยคือโดยปฐมมวัยวัยต้นหนึ่งมัชชิมาวัยวัยกลางหนึ่งปัตชิมาวัยวัยสุดท้ายหนึ่งในสามวัยนั้นสามสิบสามปีข้างต้นชื่อว่าปฐมมวัย สามิบสี่ปีจากนั้นไปชื่อว่ามัชิมะไวสามสิบสามปีจากมัชิมะไวนั้นไปชื่อว่าปัจชิมะวชนฉนี้แหลครั้นกำหนดจำแนกโดยสามไวเหล่านี้ด้วยประการชนิดแล้วจึงยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ว่ารูปที่เป็นไปในปฐมมะไวเม่ทันถึงมัชิมะวัว ก็ดับไปเสียในปฐมวัยนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่มีอัตตาแม้รูปที่เป็นไปในมชิมะวัยไม่ทันถึงปัจฉิมวัยก็ดับไปเสียในมชิมะวัยนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นแม้รูปนั้นก็เป็นสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาถึงแม้รูปที่เป็นไปตลอดสามสิบสามปีในปัจฉิมวัยชื่อว่าสามารถดำเนินต่อไปได้ภายหลังแต่ตายแล้วหามีไห่เพราะฉะนั้นแม้รูปนั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนี้ จำแนกหนึ่งร้อยปีโดยกำหนดช่วงละสิบปีครั้นยกขึ้นสู่พระไตรลักษ์โดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยโดยทางวัยมีปฐมวัยเป็นต้นอย่างนั้นแล้วโยคาวจรยกขึ้นสู่พระไตรลักษ์โดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยโดยช่วงละสิบปีสิบช่วงเหล่านี้ ต่อไปอีกดังนี้คือหนึ่งมันทะทศกะช่วงสิบปีของเด็กอ่อนสองกิตธาทศกะช่วงสิบปีของการเล่นสวรวั น, นทศกะช่วงสิบปีของผิว พ, พรรณสี่ภะละทศกะช่วงสิบปีของกำลัง หปัญญาทศกะช่วงสิบปีของปัญญา6หานิทศกะช่วงสิบปีของความเสื่อมเจ็ดปัปภารทศกะช่วงสิบปีของความโค้งแปวังกะทศกะช่วงสิบปีของความงอเก้า โมมูหทศกะช่วงสิบปีของความหลงลืมและสิบสยนะทศกะช่วงสิบปีของการนอนในช่วงละสิบปีเหล่านั้นช่วงสิบปีแรกของบุคคลผู้มีอายุร้อยปีชื่อว่าช่วงสิบปีของเด็กอ่อนก่อนเพราะว่าในช่วงสิบปีนั้นบุคคลผู้นั้นยังเป็นเด็กอ่อน เด็กเล็กไม่อยู่นิ่งอีกสิบปีต่อจากนั้นชื่อว่าช่วงสิบปีของการเล่นเพราะในช่วงยี่สิบนั้นบุคคลผู้นั้นเพลิดเพลินในการเล่นเสียเป็นส่วนมากอีกสิบปีต่อจากนั้นชื่อว่าช่วงสิบปีของผิวพรรณเพราะช่วงสามสิบนั้นอวัยวะทางผิวพรรณของผู้นั้นถึงความงามไพ่บู์ อีกส0ปีต่อจากนั้นชื่อว่าช่วงสิบปีของกำลังเพราะว่าในช่วงสี่สิบนั้นกำลังแล้วเรี่ยวแรงของผู้นั้นถึงความไพ่บู์อีกสิบปีต่อจากนั้นชื่อว่าช่วงสิบปีของปัญญาเพราะในช่วงห้าสิบนั้นปัญญาของผู้นั้นเป็นหลักฐานมั่นคงดีเขาว่าแม้คนที่ปัญญาทึบโดยปกติครั้นในช่วงนั้น ปัญญาก็เกิดขึ้นได้แม้นิดหน่อยเหมือนกันอีกสิบปีต่อจากนั้นชื่อว่าช่วงสิบปีของความเสื่อมเพราะว่าในช่วงหกสิบนั้นความยินดีในการเล่นก็ดีผิวพรรณก็ดีกำลังก็ดีปัญญาก็ดีของผู้นั้นเสื่อมถอยไปอีกสิบปีต่อจากนั้นชื่อว่าช่วงสิบปีของความโค้ง เพราะว่าในช่วงเจ็ดสิบนั้นอัตภาพร่างกายของผู้นั้นโค้งไปข้างหน้าอีกสิบปีต่อจากนั้นชื่อว่าช่วงสิบปีของความงอเพราะว่าในช่วงแปดสิบนั้นอัตภาพร่างกายของผู้นั้นงอเหมือนหางไถอีกสิบปีต่อจากนั้นชื่อว่าช่วงสิบปีของความหลงลืมเพราะว่าในช่วงเก้าสิบนั้น บุคคลผู้นั้นเป็นคนหลงหลงลืมลืมลืมสิ่งที่ทำแล้วและทำไปแล้วอีกสิบปีต่อจากนั้นชื่อว่าช่วงสิบปีของการนอนเพราะว่าผู้มีอายุหนึ่งร้อปีก็มีแต่การนอนเป็นส่วนมากเป็นธรรมดาเพื่อยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์โดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัย โดยทางช่วงละสิบปีเหล่านั้นในรูปนั้นโยคีท่านนี้จึงใคร่กรวนอยู่ดังนี้ว่ารูปที่เป็นไปในสิบปีช่วงแรกยังไม่ถึงสิบปีช่วงที่สองก็ดับไปเสียในสิบปีช่วงแรกนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตารูปที่เป็นไปในสิบปีช่วงที่สองไปยานใหญ่ จนถึงในสิบปีช่วงที่เก้ายังไม่ถึงสิบปีช่วงที่สิบก็ดับไปเสียในสิบปีช่วงที่เก้านั้นนั่นเองรูปที่เป็นไปในสิบปีช่วงที่สิบยังไม่ถึงพบหน้าก็ดับไปเสียในสิบปีช่วงที่สิบนี้นี่เองเพราะฉะนั้นถึงแม้รูปนั้นก็เป็นอนิจจาเป็นทุกขังเป็นอนัตตาชื่อว่ายกขึ้นสู่พระไตรลักษ์ด้วยประการชนนี้ จำแนกหนึ่งร้อยปีเป็นยี่สิบส่วนครั้นยกขึ้นสู่พระไตรลักษ์โดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยโดยกำหนดช่วงละสิบปีสิบช่วงอย่างนั้นแล้วโยคีนั้นจึงทำสิบปีนั้นนั่นแหละให้เป็นยี่สิบส่วนโดยแบ่งส่วนละห้าปีถึงห้าปีแล้วยกขึ้นสู่พระไตรลักษ์ โดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยต่อไปอีกยกขึ้นอย่างไรแท้จริงโยคีท่านนั้นใกล้ครวญอยู่ดังนี้ว่ารูปที่เป็นไปในช่วงห้าปีแรกยังไม่ทันถึงช่วงห้าปีที่สองก็ดับไปเสียในช่วงห้าปีแรกนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปนั้นจึงเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตา และโดยในยาาเดียวกันรูปที่เป็นไปในช่วงห้าปีที่สองยังไม่ทันถึงช่วงห้าปีที่สามไปยานใหญ่รูปที่เป็นไปในช่วงห้าปีที่สิบเก้ายังไม่ทันถึงช่วงห้าปีที่ 3, ยี่สิบก็ดับไปเสียในช่วงห้าปีที่สิบเก้านั้นนั่นเองรูปที่เป็นไปในช่วงห้าปีที่ 19, ยี่ 20, สิบ ช, ช, ชื่อว่าสามารถเลยไปเกินความตายหามีไหมเพราะฉะนั้น แม้รูปนั้นก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาดังนี้จำแนกหนึ่งร้อยปีออกเป็นยี่สิบห้าสามสิบสามห้าสิบและหนึ่งร้อยส่วนครั้นยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์โดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัย โดยทางจำแนกยี่สิบส่วนอย่างนั้นแล้วโยคีนั้นจึงทำหนึ่งร้อยปีนั้นให้เป็นยี่สิบห้าส่วนแล้วยกขึ้นโดยแบ่งส่วนละสี่ปีถึงสี่ปีต่อไปอีกอันหนึ่งแล้วทำให้เป็นสามสิบสามส่วนโดยแบ่งส่วนละสามปีถึงสามปีทำให้เป็นห้าสิบส่วนโดยแบ่งส่วนละสองปีถึงสองปี ทำให้เป็นหนึ่งร้อยส่วนโดยแบ่งส่วนละหนึ่งปีถึงหนึ่งปีจำแนกหนึ่งปีตามสามฤดูจากนั้นทำปีหนึ่งหนึ่งให้เป็นสามส่วนแล้วยกพระไตรลักษ์เข้าในรูปที่ถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยนั้นโดยฤดูสามฤดู คือฤดูวัฏนาหนึ่งฤดูเหมันหนึ่งฤดูคิมหะหนึ่งตามแต่ละฤดูฤดูยกเข้าอย่างไรโยคีท่านนั้นใคร่ครวนอยู่อย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปตลอดสี่เดือนในฤดูวัฏนะคือฤดูฝนยังไม่ทันถึงฤดูเหมันคือฤดูหนาวก็ดับเสียแล้วในฤดูวัฏนานั้นนั่นเอง รูปที่เป็นไปในฤดูเหมันยังไม่ทันถึงฤดูคิมหะคือฤดูร้อนก็ดับเสร็จแล so, ้วในฤดูเหมันนั้นนั่นเองรูปที่เป็นไปในฤดูคิมหะคือฤดูร้อนยังไม่ทันถึงฤดูวัสสนะคือฤดูฝนใหม่ก็ดับเสร็จแล้วในฤดูคิมหะนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปนั้นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาดังนี้ จำแนกหนึ่งปีตามฤดูหกครั้นยกขึ้นโดยสามฤดูอย่างนั้นแล้วจึงทำหนึ่งปีเป็นหกส่วนต่อไปอีกแล้วยกพระไตรลักษ์เข้าในรูปที่ถึงความแตกดับด้วยความเติบโตขึ้นตามวัยนั้นอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปตลอดสองเดือนในฤดูวัสานะคือฤดูฝนยังไม่ทันถึงฤดูศาสตร์คือฤดูใบไม้ร่วง ก็ดับเสียแล้วในฤดูวัสานานั้นนั่นเองและโดยในยะเดียวกันรูปที่เป็นไปในฤดูศาสตร์ยังไม่ถึงฤดูเหมันคือฤดูหนาวรูปที่เป็นไปในฤดูเหมันยังไม่ถึงฤดูศิสิระคือฤดูเย็นรูปที่เป็นไปในฤดูศิสิระยังไม่ถึงฤดูวัสสันคือฤดูใบไม้ผลิ รูปที่เป็นไปในฤดูวสันยังไม่ถึงฤดูคิมหะคือฤดูร้อนรูปที่เป็นไปในฤดูคิมหะยังไม่ถึงฤดูวัฏสนะถัดไปก็ดับเสียแล้วในฤดูคิมหะนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปนั้นจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้ จำแนกหนึ่งเดือนเป็นสองปักครั้นยกขึ้นโดยหกฤดูอย่างนั้นแล้วแต่นั้นโยคีก็ยกขึ้นสู่พระไตรลักษ์โดยจำแนกหนึ่งเดือนเป็นข้างแรมและข้างขึ้นว่ารูปที่เป็นไปในข้างแรมยังไม่ทันถึงข้างขึ้นรูปที่เป็นไปในข้างขึ้นยังไม่ทันถึงข้างแรมก็ดับเสียแล้วในข้างขึ้นนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปนั้น จึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้จำแนกหนึ่งวันเป็นกลางคืนและกลางวันแต่นั้นโยคียก็ยกขึ้นสู่พระไตรลักษ์โดยกำหนดวันและคืนว่ารูปที่เป็นไปในกลางคืนยังไม่ทันถึงกลางวันก็ดับเสีแล้วในกลางคืนนั้นนั่นเอง แม้รูปที่เป็นไปในกลางวันยังไม่ทันถึงกลางคืนก็ดับเสื่อแล้วในกลางวันนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปนั้นจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้จำแนกหนึ่งวันเป็นหกส่วนแต่นั้นโยคีก็ทำจำแนกคืนละวันนั้นนั่นแล ออกเป็นหกโดยเวลามีตอนเช้าเป็นต้นและ hm ยกขึ้นสู่พระไตรลักษ์ว่ารูปที่เป็นไปในตอนเช้ายังไม่ทันถึงตอนกลางวันรูปที่เป็นไปในตอนกลางวันยังไม่ทันถึงตอนเย็นรูปที่เป็นไปในตอนเย็นยังไม่ทันถึงปฐมมยามรูปที่เป็นไปในปฐมมยามยังไม่ทันถึงมชิมยาม รูปที่เป็นไปในมาชิมยามยังไม่ทันถึงปัจชิมะยามก็ดับเสียแล้วในมาชิมยามนั้นนั่นเองรูปที่เป็นไปในปัจชิมะยามยังไม่ทันถึงตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก็ดับเสียแล้วในปัจชิมะยามนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปนั้นจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้ จำแนกโดยอาการหกครั้นโยคขี่นั้นยกขึ้นสู่พระไตรลักษ์อย่างนั้นแล้วก็ยกขึ้นสู่พระไตรลักษ์โดยอาการเดินไปข้างหน้าถอยกลับแลดูเหลียวดูการคูและเหยียดออกซึ่งมือและเทา้าในรูปนั้นนั่นแหละต่อไปอีกว่ารูปที่เป็นไปในการเดินไปข้างหน้ายังไม่ทันถอยกลับก็ดับไปในการเดินไปข้างหน้านั้นนั่นเอง รูปที่เป็นไปในการถอยกลับยังไม่ทันถึงการแลดูและโดยในยะเดียวกันรูปที่เป็นไปในการแลดูยังไม่ทันถึงการเหลียวดูรูปที่เป็นไปในการเหลียวดูยังไม่ทันถึงการคูรูปที่เป็นไปในการคูยังไม่ทันถึงการเหยียดออกก็ดับไปในการคูนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นรูปนั้น จึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้จำแนกเก้าเท้าหกระยะครั้นแล้วโยกขี่ก็ทำระยะของเก้าเท้าเก้าหนึ่งออกเป็นหกส่วนโดยแบ่งเป็นอุทธธรณะคือยกอติหารณะ คือย่างวิติอารณะคือย้ายวาสัชนะคือลงสัตว์นิเขปนะคือเหยียบสัตว์นิรุมพนะคือกดในหกส่วนนั้นการยกขึ้นจากพื้นเรียกว่าอุทธัธรณะคือยกการยืนเท้าไปข้างหน้า เรียกว่าอาติหรณะคือย่างครั้นเห็นต่อหรือนามหรือเห็นทีฆาชา่าคืองูเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก้าวเท้าเลี่ยงไปข้างโน้นและข้างนี้เรียกว่าวีติหรณะคือย้ายการหย่อนเท้าต่ำลงเรียกว่าโวศรชนะคือลงการวางเท้าลงบนพื้นดิน เรียกว่าสันนิเคปนะคือเหยียบการกดเท้าลงกับพื้นในเวลาจะยกเท้าอีกข้างหนึ่งขึ้นเรียกสั น, นิรุมพณะคือกดในหกส่วนนั้นในการยกเท้าขึ้นธาตุทั้งสองคือปฐวีธาตุอาโปธาตุมีประมาณต่ำอ่ อ, อนส่วนอีกสองธาตุคือเตโชธาตุและวายโยธาต์ มีประมาณมากมีกำลังในการย่างเท้าและในการย้ายเท้าก็เหมือนกันในการหย่อนเท้าลงธาตุสองคือเตโชธาตุวายโยธาตมีประมาณต่าอ่อนส่วนอีกสองธาตุคือปัทวีธาตุและอาปโปธาตมีประมาณมากมีกำลังในการเหยียบและการกดก็เหมือนกัน ครั้นโยคยีทำระยะของเก้าเท้าเก้าหนึ่งให้เป็นหกส่วนอย่างนี้แล้วจึงยกพระไตรลักษ์เข้าในรูปที่ถึงความแตกดับด้วยความเติบโตขึ้นตามวัยนั้นโดยส่วนทั้งหลายหกส่วนของเก้าเท้าเก้าหนึ่งเหล่านั้นยกขึ้นอย่างไรโยคยีท่านนั้นพิจารณาเห็นอยู่ดังนี้ว่าถ้าทั้งหลายในที่เป็นไปในการยกเท้าขึ้นก็ดี รูปทั้งหลายใดอาศัยธาตนั้นก็ดีสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดยังไม่ทันถึงการย่างเท้าก็ดับไปในการยกเท้าขึ้นนี้นี่เองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและโดยในยะเดียวกันสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นไปในการย่างเท้ายังไม่ทันถึงการย้ายเท้า ที่เป็นไปในการย้ายเท้ายังไม่ทันถึงการหย่อนเท้าลงที่เป็นไปในการหย่อนเท้าลงยังไม่ทันถึงการเหยียบและโดยที่สุดที่เป็นไปในการเหยียบยังไม่ทันถึงการกดก็ดับไปในการเหยียบนี้นั่นเองสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วในนั้นนั้นมีการยกเท้าขึ้นเป็นต้นยังไม่ทันถึงส่วนนอกนี้และนอกนี้ ก็ทำเสียงตะต ะ, ตะตะตะแตกไปเป็นปล้องป้องเป็นข้อข้อเป็นท่อนๆนหน้าที่นั้นๆนั่นเองเหมือนเมล็ดงาที่เขาวางลงบนแผ่นกระเบื้องอันร้อนทำเสียงเปรี้ยวเปรี้ยแตกไปฉะนั้นเพราะฉะนั้นสังขารทั้งหลายจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชนนี้แลการกําหนดรู้รูปของโยคีท่านนั้น ผู้เห็นแจงสังขารทั้งหลายเป็นปล้องๆ อ, อย่างนี้เป็นการกําหนดรู้ที่ละเอียดอ่อนก็แลในความละเอียดอ่อนของการกําหนดรูรูปนั้นมีอุปมา ด, ดังนี้อุปมาในความละเอียดอ่อนของการกําหนดรู้รูปสมมุติว่าชายผู้อยู่ปลายแดนคนหนึ่ง มีความเคยชินที่ทำมาแต่ในเรื่องใช้ใต้ที่ทำด้วยไม้และหญ้าเป็นต้นไม่เคยเห็นดวงพระทีต์คือตะเกียงครั้นมาถึงนครหลวงได้เห็นดวงพระทีต์ที่เขาจุดไว้ในย่านการค้าจึงถามบุรุษผู้หนึ่งคนที่หนึ่งว่าท่านผู้เจริญนี่เขาเรียกว่าอะไรน่าชอบใจจริงบุรุษผู้นั้นจึงบอกกับชายชาวปลายแานผู้นั้นว่า ชอบใจในสิ่งนี้หรือนี่เขาเรียกว่าดวงประทิพยรันหมดน้ำมันและสิ้นไส้แม้แต่ทางไปของมันก็จะไม่ปรากฏให้เห็นบุรุษอีกผู้หนึ่งคนที่สองบอกกับชายชาวปลายแดนคนนั้นว่าการที่ดวงประทีพไม่ปรากฏเพราะหมดน้ำมันและสิ้นไส้นี้เป็นเรื่องหยาบความจริงเมื่อไส้ตะเกียงนี้ถูกเผาไปเผาไปดูลาดับ เปลวไฟจะดับไปในส่วนที่สามและส่วนที่สามยังไม่ทันถึงส่วนนอกนี้และนอกนี้แน่แท้บุรุษอีกผู้หนึ่งคนที่สามบอกกับเขาอย่างนี้ว่าถึงแม้เรื่องนี้ก็ยังยากเหมือนกันเพราะว่าเปลวไฟจะดับไปในระหว่างองค์คุลีทุกองคคุลีในระหว่างครึ่งองค์คุลีทุกครึ่งองค์คุลีในเส้นได้ทุกเส้นได้ ในใยได้ทุกใยได้ของไส้ตะเกียงนี้ไม่ทันถึงใยได้นอกนี้และนอกนี้แน่แท้แต่พ้นคือปราศจากใยได้แล้วไม่สามารถทำเปลวไฟให้ปรากฏได้ฉะนั้นแหละอุ ป, ปมาอุปไมในอุ ป, ปมานั้น การที่โยกขี่ยกพระไตรลักษ์เข้าในรูปซึ่งกําหนดโดยหนึ่งร้อปีตั้งแต่การยึดถือไว้คือการปฏิสนธิจนถึงการปล่อยวางคือจุดติเปรียบเหมือนความรู้ของบุรุษคนที่หนึ่งรู้ว่าครั้นหมดน้ํามันและสิ้นไส้แม้แต่ทางไปของดวงประทีพก็จะไม่ปรากฏการที่โยกขี่ยกพระไตรลักษ์เข้าในรูป ที่ถึงความแตกดับด้วยการเติบโตขึ้นตามวัยซึ่งจำแนกหนึ่งรอปีออกเป็นส่วนที่สามและที่สามเปรียบเหมือนความรู้ของบุรุษคนที่สองรู้ว่าเปลวไฟจะดับไปในส่วนที่สามและส่วนที่สามของไส้ยังไม่ทันถึงส่วนนอกนี้และนอกนี้การที่โยกขี่ยกพระไตรลักษ เข้าในรูปซึ่งจำแนกโดยช่วงละสิบปีห้าปีสี่ปีสามปีสองปีและหนึ่งปีเปรียบเหมือนความรู้ของบุรุษคนที่สามรู้ว่าเปลวไฟจะดับไปในระหว่างองคุลีทุกองคุลีอย่างไม่ทันถึงระหว่างนอกนี้และนอกนี้การที่โยคียกพระไตรลักษ์เข้าในรูป ซึ่งแบ่งหนึ่งปีออกเป็นสามส่วนและหส่วนตามฤดูหนึ่งหนึ่งแล้วจำแนกเป็นสี่เดือนและสองเดือนเปรียบเหมือนความรู้ของบุรุษที่ว่าเปลวไฟจะดับไปใน้ระหว่างเครื่งองค์คูลีทุกเครึ่งองค์คู่รีเม่ทันถึงเครื่ององค์คูลีนอกนี้และนอกนี้เป็นแน่การที่โยคียกพระไตรลักษ์เข้าในรูปซึ่งจำแนกโดยข้างแรมและข้างขึ้น และโดยกลางวันและกลางคืนและทำคืนและวันหนึ่งเป็นหกส่วนแล้วกำหนดจำแนกโดยเวลามีตอนเช้าเป็นต้นเปรียบเหมือนความรู้ของบุรุษที่รู้ว่าเปลวไฟจกดับไปในเส้นได้ทุกเส้นได้ไม่ทันถึงเส้นได้นอกนี้และนอกนี้เป็นแน่การที่โยคียกพระไตรลักษ์เข้าในรูปซึ่งจำแนกโดยอาการ มีการเดินไปข้างหน้าเป็นต้นและโดยส่วนหนึ่งหนึ่งในระยะของเก้าเท้าเก้าหนึ่งมีการยกเท้าขึ้นเป็นต้นเปรียบเหมือนความรู้ของบุรุษที่รู้ว่าเปเลวไฟจกดับไปในใยได้ทุกใยได้ไม่ทันถึงใยได้ด้านนอกนี้และนอกนี้แน่แท้ฉะนี้แหละ จำแนกรูปเป็นสี่ส่วนรันโยคียกพระไตรลักษ์เข้าในรูปที่ถึงความแตกดับด้วยการเติบโตขึ้นตามวัยโดยอาการต่างๆอย่างนี้แล้วจึงจำแนกรูปนั้นนั่นแหละทำให้เป็นสี่ส่วนโดยรูปมีรูปเกิดด้วยอาหารเป็นต้นแล้วยกพระไตรลักษ์เข้าในแต่ละส่วนต่อไปอีก ยกพระไตรลักษ์เข้าในรูปเกิดด้วยอาหารในสี่ส่วนนั้นรูปที่เกิดด้วยอาหารเป็นรูปปรากฏชัดแกโยคีนั้นด้วยความหิวโหวยและความอิ่มเอิบความจริงรูปที่ตั้งขึ้นในเวลาหิวโหวยเป็นรูปซูบซีดอิดโรยผิวพรรณเศร้าหมองสวดทรงเสียส่วนเหมือนตอไม้ที่ถูกไฟไหม และเหมือนนกกาที่ซุกซ่อนในตะก้าทานรูปที่ตั้งขึ้นในเวลาอิมเอิบก็เป็นรูปสดชื่นเปล่งปลัง่งนิ่มนวลละเอียดอ่อนน่าแต่ต้องโยคีนั้นครั้นกำหนดรู้รูปเกิดด้วยอาหารนั้นแล้วจึงยกพระไตรลักษ์เข้าในรูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในเวลายูหยยังไม่ทันถึงเวลาอิมเอิบ ก็ดับเสียในเวลาหิวโหยนี้นั่นเองถึงแม้รูปที่ตั้งขึ้นในเวลาอิ่มเอิบยังไม่ทันถึงเวลาหิวโหยก็ดับเสียในเวลาอิ่มเอิบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นแม้รูปที่เกิดด้วยอาหารนั้นก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้ยกพระไตรลักษ์เข้าในรูปเกิดด้วยฤดู รูปที่เกิดด้วยฤดูเป็นรูปปรากฏชัดด้วยความเย็นและความร้อนเพราะว่ารูปที่ตั้งขึ้นในฤดูการร้อนเป็นรูปซี่เสียวอิดโรยผิวพันธุ์เศร้าหมองรูปที่ตั้งขึ้นด้วยฤดูหนาวเป็นรูปสดชื่นเปล่งปลัง่งละเอียดอ่อนโยคีนั้นกำหนดรู้รูปที่เกิดด้วยฤดูนั้นแล้วยกพระไตรลักษ์เข้าในรูปนั้นอย่างนี้ว่า รูปที่เป็นไปในเวลาร้อนยังไม่ทันถึงเวลาเย็นก็ดับเสียในเวลาร้อนนี้นั่นเองรูปที่เป็นไปในเวลาเย็นยังไม่ทันถึงเวลาร้อนก็ดับเสียในเวลาเย็นนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นรูปที่เกิดด้วยฤดูนั้นจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้ ยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปเกิดจากกรรมรูปที่เกิดจากกรรมเป็นรูปปรากฏชัดโดยทางทวารคืออายตนะเพราะว่าในจักขคู่ทวารมีรูปอยู่ห้าสิบสี่คือรูปเกิดจากกรรมสามสิบได้แก่จักขคุทสกะกายทสกะและภาวะทสกะและอุปัธรรมภกะรูปของรูป ที่เกิดจากรูปเหล่านั้นซึ่งมีฤดูเป็นสมุดฐานมีจิตเป็นสมุดฐานและมีอาหารเป็นสมุดฐานอีกยี่สิบสี่ในโสตทวารคานาทวารและชิวหาทวารก็กาหนดจำนวนอย่างนั้นในกายทวารมีส4สิบสี่ได้แก่กายทศกะภาวทัศกะ และรูปซึ่งมีฤดูเป็นสมุดฐานเป็นต้นอีกยี่สิบสี่ในมโนทวารก็มีห้าสิบสี่เช่นกันได้แก่อัธยาวัตุทะะัทศกะกายทัศกะและภาวทัศกะและรูปมีรูปซึ่งมีฤดูเป็นสมุดฐานเป็นต้นอีกยี่สิบสี่โยคีนั้นครั้นกําหนดรู้รูปแม้ทั้งหมดนั้นแล้ว จึงยกพระไตรลักเข้าในรูปทั้งหลายนั้นอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในจักขุทวานยังไม่ทันถึงโสตทวานก็ดับเสียในจักขุทวานนี้นั่นแลและโดยในยะเดียวกันรูปที่เป็นไปในโสตทวานยังไม่ทันถึงคานทวานรูปที่เป็นไปในคานทวานยังไม่ทันถึงชิวหาทวานรูปที่เป็นไปในชิวหาทวาน ยังไม่ทันถึงกายทวารและสุดท้ายรูปที่เป็นไปในกายทวาลยังไม่ทันถึงมโนทวาลก็ดับเสียในกายทวาล น, นี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นรูปนั้นจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้ยกพระไตรลักษ์เข้าในรูปมีจิตเป็นสมุดฐาน รูปที่มีจิตเป็นสมุดฐานเป็นรูปปรากฏชัดด้วยความมีโสมนัสและโทมนัสเป็นความจริงรูปที่เกิดขึ้นในเวลามีโสมนัสเป็นรูปละเอียดอ่อนนุ่มนวลแปล่งปลั่งน่าแต่ต้องรูปที่เกิดขึ้นในเวลามีโทมนัสเป็นรูปซี่เซียวอิดโปรยผิวพันธ์หม่นหมองครั้นโยคีนั้นกําหนดรู้รูปมีจิตเป็นสมุดฐานนั้นแล้ว จึงยกพระไตรลักษ์เข้าในรูปนั้นอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในเวลามีโสมนัสยังไม่ทันถึงเวลามีโทมนัสก็ดับเสียในเวลามีโสมนัสนี้นั่นแลรูปที่เป็นไปในเวลามีโทมนัสยังไม่ทันถึงเวลามีโสมนัสก็ดับเสียในเวลามีโทมนัสนี้นั่นแลเพราะฉะนั้นแม้รูป好好ที่มีจิตเป็นสมุทฐานนั้น ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้เมื่อโยขี่นั้นกำหนดรู้รูปมีจิตเป็นสมุดฐานแล้วยกพระไตรลักษ์เข้าในรูปนั้นอยู่อย่างนี้ความก็ปรากฏชัดดังต่อไปนี้ชีวิตอัตภาพสุขและทุกข์แต่ละอย่างประกอบรวมอยู่กับจิตดวงหนึ่งหนึ่งขณะของจิตดวงหนึ่งหนึ่ง ผ่านไปรวดเร็วเทวดาทั้งหลายเหล่าใดตั้งอยู่ตลอด8ป0 0 0สี่พันกับแม้เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็หาตั้งอยู่ด้วยจิตสองดวงซึ่งตั้งอยู่พร้อมกันไม่ขันทั้งหลายเหล่าใดที่ดับไปแล้วของสัตว์ที่ตายก็ดีหรือว่าของสัตว์ที่ยังตั้งอยู่ในประวัติการนี้ก็ดีขันทั้งหลายเหล่านั้น ก็เป็นเช่นเดียวกันทั้งหมดนั่นแหลคือดับไปไม่มีการติดต่อกันเป็นไปช่วงขณะจิตหนึ่งหนึ่งสังขารทั้งหลายเหล่าใดที่แตกดับแล้วเป็นลำดับลำดับในอดีตก็ดีและสังขารทั้งหลายเหล่าใดที่จกแตกดับในอนาคตก็ดีสังขารทั้งหลายที่แตกดับอยู่ในระหว่างอดีตและอนาคตนั้นก็ดี หามีความแตกต่างกันในลักษณะไม่เพราะจิตไม่เกิดสัตว์โลกชื่อว่ายังไม่เกิดเพราะจิตยังเกิดอยู่เป็นปัจจุบันสัตว์โลกชื่อว่ามีชีวิตอยู่เพราะจิตแตกดับสัตว์โลกชื่อว่าตายนี้เป็นบัญญัติทางปรมัตุขสังขารทั้งหลายที่แตกดับแล้ว ไม่ได้ไปสู่ที่เก็บไว้ณที่ไหนไหนในอนาคตก็ไม่มีกองสังขารเก็บไว้อีกทั้งสังขารทั้งหลายใดที่บังเกิดมาแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วเวลาเหมือนมเมล็ดพันธุ์ผักกาดบนปลายเข็มเชนนั้นและพอสังขารธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นมาความแตกดับของสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็ห้อมล้อมอยู่แล้ว สังขารธรรมทั้งหลายมีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาตั้งอยู่เป็นปัจจุบันหาสัมพันธ์ปะปนกับสังขารธรรมโบราณคืออดีตทั้งหลายไม่สังขารธรรมเหล่านั้นมาจากที่ซึ่งไกลไม่เห็นแตกดับแล้วก็ไปสู่ความไม่เห็นเกิดขึ้นและดับไปเหมือนสายฟ้าแลบเกิดขึ้นและดับไปในอากาศฉะนั้น ครั้นโยคีนั้นยพระไตรลักษ์เข้าในรูปทั้งหลายมีรูปที่เกิดด้วยอาหารเป็นต้นอย่างนี้แล้วจึงยพระไตรลักษ์เข้าในรูปธรรมดาต่อไปอีกรูปธรรมดาโดยธรรมชาติรูปที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งวิวัติกับเป็นรูปภายนอก ไม่เนื่องโดยอินทรีย์มีประเภทต่างๆเช่นเหล็กโลหะดีบุกตะกัวทองเงินมุกดามนีไพฑูรย์สังหินมีค่าประพานทับทิมแก้วลายแผ่นดินแผ่นหินภูเขาต้นหญ้าต้นไม้และเถาวัลย์เป็นต้นชื่อว่ารูปธรรมดายกพระไตรลักษ์เข้าในรูปธรรมดา รูปธรรมดานั้นเป็นรูปปรากฏชัดแกโยคีนั้นโดยทางกล้าไม้มีกล้าไม้อโศกเป็นต้นเพราะว่ากล้าไม้อโศกนั้นเริ่มต้นทีเดียวก็มีสีแดงอ่อนล่วงไปสองวันสามวันจากนั้นก็แดงเข้มขึ้นล่วงไปสองสามวันต่อมาอีกก็แดงนวลลงจากนั้นแตกเป็นใบอ่อนมีสีเหมือนใบไม้อ่อนต่อจากนั้น มีสีเป็นใบไม้แก่ขึ้นจากนั้นมีสีเป็นใบไม้เขียวจากนั้นมีสีใบเขียวแก่ตั้งแต่เวลาที่ใบเป็นสีเขียวแก่นั้นไปก็ทําความสืบต่อของรูปใบที่ยังเหมือนกันให้ติดต่อสืบเนื่องกันอยู่โดยเวลาผ่านไปประมาณหนึ่งปีก็เปลี่ยนสีเป็นใบไม้เหลืองแล้วหลุดจากคั่วหล่นไป โยคีนั้นครั้นกําหนดรู้ใบอโศกนั้นแล้วจึงยกพระไตรลักษณ์เข้าไปในใบอโศกนั้นอย่างนี้ว่ารูปที่เป็นไปในการมีสีแดงอ่อนยังไม่ทันถึงการมีสีแดงเข้มเลยก็ดับไปเสียโดยในยะเดียวกันรูปที่เป็นไปในการมีสีแดงเข้มยังไม่ทันถึงการมีสีแดงนวลรูปที่เป็นไปในการมีสีแดงนวล ยังไม่ทันถึงการมีสีเป็นใบไม้อ่อนรูปที่เป็นไปในการมีสีเป็นใบไม้อ่อนยังไม่ทันถึงการมีสีเป็นใบไม้แก่รูปที่เป็นไปในการมีสีเป็นใบไม้แก่ยังไม่ทันถึงการมีสีเป็นใบไม้เขียวรูปที่เป็นไปในการมีสีเป็นใบไม้เขียวยังไม่ทันถึงการมีสีเป็นใบไม้เขียวแก่รูปที่เป็นไปในการมีสีเป็นใบไม้เขียวแก่ ยังไม่ทันถึงการเป็นใบไม้เหลืองและสุดท้ายรูปที่เป็นไปในการเป็นใบไม้เหลืองยังไม่ทันถึงการหลุดจากขั้วหล่นไปก่อนก็ดับเสียเพราะฉะนั้นใบอโศกนั้นจึงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดังนี้แล้วกำหนดรู้รูปธรรมดาแม้ทุกชนิดโดยในยะนี้ โยคียกพระไตรลักษณ์ขึ้นแล้วกำหนดรู้สังขารทั้งหลายโดยทางรูปสตกะด้วยอาการดังกล่าวนี้ก่อน